2. แปดสโลกธรรมแห่งการฝึกจิต 1. ด้วยความเข้าใจชัดว่าท ร, รัพษสัต์ทั้งหลายล้วนมีค่ายิ่งกว่าแก้วมณีอันล้ำค่าใดๆเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายอันสูงสุดฉันจะถืออยู่เสมอว่า เขาทั้งหลายเหล่านั้นล้วนเป็นที่รักยิ่ง 2. เมื่อใดก็ตามที่ฉันเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้อื่นฉันจะถือว่าตัวฉันต่ำต้อยท่ามกลางพวกเขาเหล่านั้นฉันจะรักและถนอมพวกเขาไว้สูงสุดจากใจจริง 3. ในทุกๆขณะ ฉันจะเฝ้าระวังรักษาจิตของฉันอยู่เสมอและในทันทีที่กิเลสหรืออารมณ์อันมัวหมองเกิดขึ้นฉันจะเผชิญหน้ามันอย่างเข้มแข็งและแปลเปลี่ยนมันเป็นปัญญาเพราะมิฉะนั้นมันจะทำร้ายตัวฉันและผู้อื่น 4. เมื่อใดก็ตามที่ฉันพบกับผู้ที่อารมณ์ร้าย หรือผู้ที่เต็มไปด้วยการกระทำอันชั่วช้าหรือผู้ที่กำลังทนทุกข์ฉันจะรักและใส่ใจในพวกเขาเหมือนกับสิ่งที่หายากราวกับว่าฉันได้พบสมบัติอันล้ำค่า 5. เมื่อผู้อิจฉาริษยาให้ร้ายหรือดูถูกเหยียดหยามฉันฉันจะยอมรับความพ่ายแพ้โดยไม่ตอบโต้ และยอมให้เขาเป็นฝ่ายชนะ 6. แม้ยามเมื่อบุคคลที่ฉันเคยช่วยเหลือหรือบุคคลที่ฉันหวังดีต่อเขามากกระทำผิดต่อฉันอย่างร้ายแรงโดยไม่มีเหตุผลฉันจะมองบุคคลนั้นเป็นดังครู 7. สรุปแล้วทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมฉันจะมอบความช่วยเหลือและความสุข ให้กับแม่ทั้งหมดของฉันและยอมรับเอาความทุกข์ยากของท่านทั้งหลายเหล่านั้นไว้กับตัวเองอย่างเงียบๆแป 8. ฉันจะเรียนรู้ที่จะคงรักษาการปฏิบัติทั้งหมดนี้ไม่ให้มัวหมองไปเพราะความยึดติดในโลกธรรมทั้ง8ขอให้ฉันเห็นแจ้งในสรรพสิ่งทั้งหลายว่าเป็นดังเช่นมายา ขอให้ฉันหมดสิ้นซึ่งความยึดติดและลุถึงความอิสระอย่างแท้จริง